สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสอตอรอฟร้ข้าพเจ้าพร ะ, ระมหาไพบูุ์อภิปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยวันพระหัสและวันศุกร์นั้นก็จะมีคุณสันสนีมาร่วมสนทนาด้วยในการที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังในแต่ละวัน นำสิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยบทเพยียรชนะบ้างคือเป็นสิ่งที่เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรมีเอกสารหลักฐานที่เรายังมีอยู่นั้นก็นํามาให้ท่านผู้ฟังฟังคือเอามาอ่านให้กันฟังเลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโดยบทพยัญชนะเหมือนเป๊ะคัดลอมาเลยหรือว่าเป็นส่วนที่เป็นคําอธิบายในการอธิบายสิ่งที่เป็นพุทธพจนนะ์ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราฟังภาษาไทยนี่นะคำว่าแปลนะมันก็เป็นคําอธิบายอยูแล้วเพราะว่าแปลมาพุทธพจน์จริงๆนั้นเป็นภาษาบาลีถ้าเราจะฟังภาษาบาลีเข้าใจเออเราฟังตรงนั้นมันก็จะมีความเข้าใจในเรื่องหลักภาษาหรือว่ารากศัพท์อะไรต่างๆก็จะเป็นลักษณะนั้นถ้าเพรากว่ามีการแปลมาแล้วอันนี้คือเรียกว่าเป็นโดยความหมายละซึ่งในความหมายไม่ว่าจะเป็นที่แปลมาโดยตรง หรือว่าที่เป็นคำขยายความมาอธิบายสิ่งที่เป็นพุทธพจน์นั้นแล้กการที่สำคัญตั้งฟังก็คือการที่จะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทว่าเวลาที่เราจะฟังใครพูดอะไรก็ตามเถอะจะเป็นหนังสือที่แต่งมาในฉบับใดพศใดเป็นคำพูดคำจาวิดีโอเทปหรือว่าไฟล์เสียง MP3 ก็ตามเราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทว่าอ๋ออันนี้สอดคล้องกับพระพุทธเจ้า ตรัสไว้อย่างไรถึงแม้จะไม่ใช่สิ่งที่เป็นคําสอนหรืออะไรก็ตามไม่ใช่ใครพูดอะไรเลยล่ะเอาแค่ว่าเราเจอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าทำบุฟังจะดูหนังดูละครหรือว่าอ่านหนังสืออื่นๆที่มันไม่ได้เกี่ยวกับหนังสือธรรมะหรือว่าเหตุการณ์ทั่วไปเช่นว่าเดินไปตามห้างสรรพสินค้าเห็นสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องกลับมาหาที่ตัวแม่บทเนื่อนี้สําคัญเพราะว่า ถ้าจิตของเรามันไม่มีที่พึ่งที่ไปเนี่ยมันก็จะเป๋ไปตามภาษาต่างๆคําพูดคําจาบ้างโอยิงถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ในแนวทางธรรมะนะมันก็จะไปตามที่เขาพูดจาไปเรื่องไหนเรื่องไหนก็ไม่รู้หล่กเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งจึงจะต้องมีที่ไปที่พึ่งคําว่าที่พึ่งที่ไปนั่นก็คือมีสตระนาสนั่นเองมีสติรักษาเอาไว้จะมีสตระนาซึ่งการไปตรงนี้ก็เป็นลักษณะ อันเดียวกับการที่เราต้องกลับมาที่ตัวแม่บทว่าเราจะเจอเรื่องอะไรก็ตามแต่เห็นใบไม้ร่วงรับประทานอาหารเราจะต้องระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะคอยรักษาจิตของเราแต่ไม่ให้ไปในทางที่มันจะวุ่นวายวาบวุ่นฟังคําสอนใดๆเราก็จะรู้ถึงหลักการที่ถูกต้องแต่มี่นี้ถึงจะดีตามวัง ซึ่งข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่เป็นในทางคำสอนนี่แหละมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังให้ได้ฟังกันซึ่งเรื่องราวที่จะให้ท่านผู้ฟังฟังวันนี้เป็นเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งแต่ที่จิตเนี่ยไม่ได้ไปตามอำนาจของตนเองแต่ว่าตนเองนั้นไปตามอำนาจของจิตจิตเดี๋ยวมันก็จะไปเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างไปตามอำนาจนั้นก็จึงทาให้ภิกษุรูปเนียบวชบวชศึกศึ สึกสึบวชบวชอยู่ถึงเจรอบด้วยกันซึ่งเรื่องราวของท่านนี้ท่านก็ชื่อว่าจิตตะหัตถะในตอนท้ายของเรื่องนี้ท่านบวชพระพุทธเจ้าก็เคยยกตัวอย่างตัวพระองค์เองตอนเป็นโพธิสัตว์สมัยยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่แม้แต่ตัวพระองค์เองก็เคยเคยบวชบวชศึกสึกอย่างเงี้ยลาสิกขาแล้วก็บวชอีกบวชอีกแล้วก็ลาสิกขาอีก อย่างนี้ถึงเจ็ดรอบด้วยกันเรามาฟังเรื่องราวของพิสูจน์ที่ชื่อว่าจิตตหัตถะในนิทานธรรมบทนี้กันธรรมบทแปลเรื่องพระจิตตหัตถะเทระภาคที่สองเรื่องที่28พระศาสดาเมื่อประทับอยู่นะพระวิหารเชตวันทรงปรารพระเทระ ชื่อจิตตหัตตาภรณพระธรรมเทศนานว่าอะนวัทติตาจิตตสสะสัทธัมมังอวิชานโตป ร, ริละวะปะสาทัสสะปัญญาะป ร, ะริปูระติอะนวัทสุตะจิตตสสะอันนันวาหะตะเจตาโสปุญญะปาปะ ปีนัสสะนติชาคราโตพยังแปลว่าปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงไม่รู้แจ้งซึ่งพระสัทธรรมมีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอยภัยคือความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตอันราคะไม่สืมทราบมีใจไม่ถูกโทสะตามกระทบละบุญ และบาปได้แล้วตื่นอยู่ได้ยินมาว่ากุลบุตรชาวกรุงสาบถีคนหนึ่งสแสวงหาโคตัวผู้ที่หายไปอยู่จึงเข้าไปในป่าพบโคตัวผู้ในเวลาเที่ยงปล่อยเข้าฝูงแล้วคิดว่าเราจะได้วัตถุสักว่าอาหารในสำนักของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแน่แท้ เขาถูกความหิวกรายรบกวนแล้วจึงเข้าไปสู่วิหารถึงสำนักของภิกษุทั้งหลายไหว้แล้วได้ยืนอยู่นะที่ส่วนข้างหนึ่งเมื่อในสมัยนั้นแลอาหารที่เหลือจากภิกษุทั้งหลายฉันแล้วยังมีอยู่ในถาดภิกษุเหล่านั้นเห็นเขาหิวกรายจึงกล่าวว่า ชวนท่านถือเอาอาหารกินเถิดเขาชื่อว่าในครั้งพุทธกาลแกงและกับข้าวมากมายย่อมเกิดขึ้นเขารับพัดพอเยี่ยวยาอัตภาพจากถาดนั้นบริโภคแล้วดื่มน้ำล้างมือไหว้ภิกษุทั้งหลายแล้วถามว่าท่านกรับวันนี้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย ได้ไปสู่ที่นิมนต์มาอย่างนั้นหรือภิกษุทั้งหลายตอ บ, บ่าอุบาโศกวันนี้ไม่มีกิจนิมนต์ภิกษุทั้งหลายย่อมได้พัตาหารเนืองเนืองโดยทํานางนี้เทียวเขามีความคิดว่าก็พวกเรากระวีกระวาดลุกขึ้นแล้วแม้ทําการงานเนืองเนืองตลอดคืนและ ว, วันก็ยังไม่ได้อาหารมีกับข้าวอันอร่อยอย่างนี้ ได้ยินว่าภิกษุเหล่านี้ย่อมฉันเนืองเนืองเราจะเป็น่องหัดอยู่ทาไมเราจะเป็นภิกษุดังนี้แล้วจึงเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบันปรชาชญ์แล้วลาดับนั้นพวกภิกษุพูดกับเขาว่าดีแล้วอุบาสกจึงให้เขาบันปรชาชญ์แล้วเขาได้อุปสมบทแล้วทำข้อวัดปฏิบัติ ซึ่งเป็นอุปการะแก่ภิกษุทั้งปวงเธอได้มีร่างกายอ้วนท้วนโดยการล่วงไปสองถึงสวันเพราะลาบและสังการะที่เกิดแก่พระพุทธชาติทั้งหลายแต่นั้นเธอคิดว่าเราจะต้องการอะไรด้วยการเที่ยวไปเพื่อพิษาเลี้ยงชีพเราจะเป็นเครือส่าเธอจึงศึกคือลาสิกขา แล้วกลับไปเรือนเมื่อกุลบุตรคือทิศที่ศึกใหม่นั้นทำการงานอยู่ในเรือนร่างกายก็สู้ผอมโดยสองถึงสามันเท่านั้นแต่นั้นเธอจึงมีความคิดว่าเราจะจมปลักอยู่กับทุกนี้ทำไมเราจะเป็นสมณนะอยังนี้แล้วก็กลับมาบวชใหม่เธอยับยั้งอยู่ ได้ไม่กี่วันก็เกิดความกระสันขึ้นแล้วก็สึกอีกแต่เธอได้มีอุปการะกับพวกพิกษุในเวลาบวชโดยสองถึงสมวันเท่านั้นเธอก็ระาใจแม่อีกคิดว่าเราจะเป็นกระหัดอยู่ทาไมเราจะบวชจึงไปไหว้พิษุททั้งหลายขอบันประชาแล้วลำดับนั้น ภิกษุทัหลายก็ให้เขาบรรพชาอีกแล้วด้วยอำนาจแห่งอุปการะเขาบวชแล้วก็ศึกอยู่อย่างนี้ถึงหครั้งภิกษุทัหลายคิดว่าภิกษุรูปนี้เป็นไปในอำนาจแห่งจิตที่ยวไปอยู่จึงขนานนามแก่เธอว่าจิตตะหัตถะเทระเมื่อนายจิตตะหัตถะ เที่ยวไปไปมามาอยู่อย่างนี้เทียวภรรยาก็ได้เริ่มตั้งกันแล้วในวาระที่7เขาแบกเครื่องไถจากป่ากลับไปเรือนวางเครื่องไถนั้นไว้แล้วเข้าห้องด้วยประสงค์ว่าจะหยิบผ้ากาสายะของตนในขณะนั้นภรรยาของเขากำลังนอนหลับ ผ้าที่หลอนนุ่งหลุดลุย่ยน้ำลายไหลออกจากปากจมูกก็กรนดังครืดครืดปากอ้ากัดฟันหลอนปรากฏแก่เขาประดุดร่างกายที่ขึ้นผองเขามีความคิดว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราบวดตลอดการประมาณเท่านี้แล้วอาศัยร่างกายนี้ จึงไม่สามารถดํารงอยู่ในความเป็นภิกษุได้ดังนี้แล้วก็ช่วยผ้ากาสายะพันท้องพลางออกจากเรือนขณะนั้นแม่ยายของเขายืนอยู่ที่เรือนที่ติดกันเห็นเขากําลังเดินไปด้วยอาการอย่างนั้นสงสัยว่าเจ้านี่กลับไปอีกแล้วเขามาจากป่าเดี๋ยวนี้เอง พันผ้ากาสายะที่ท้องออกเดินบ่ายหน้าตรงไปวิหารเกิดเหตุอะไรกันนาะแม่ใหญ่นั้นจึงเข้าไปในเรือนเห็นลูกสาวหลับอยู่ก็รู้ว่าเขาเห็นลูกสาวของเรานี้มีความรำคาญไปเสียแล้วจึงตีลูกสาวแล้วกล่าวว่านางชาชั่วจงลุกขึ้นผัวของเจ้าเห็นเจ้ากาลังหลับ มีความรำคาญไปแล้วตั้งแต่นี้เจ้าจะไม่มีเขาละ่ะดังนี้โลกสาวจึงกล่าวว่าหลีกไปหลีกไปเถอะแม่เขาจะไปไหนกันอีกสองสามวันเท่านั้นเขาก็จะกลับมาอีกแม่นายจิตตะหันตะนั้นเดินไปก็บ่นไปว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกเขาบรรลุโสดาปฏิพลแล้ว เขาไปไหว้ภิกษุทั้งหลายแล้วก็ขอบรนประชาภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าพวกเราไม่อาจจะให้ท่านบรนประชาได้เพราะความเป็นสมณศัก์ของท่านจะมีมาแต่ที่ไหนศีรษะของท่านเช่นกับหินรับมีดเขาจึงกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าท่านกอรับพวกท่านโปรดอนุเคราะห์ให้กัดผมบวชในคราวนี้อีกคราวหนึ่งเถอด ภิกษุเหล่านั้นจึงให้เขาบวชแล้วด้วยอำนาจแห่งอุปการะโดยสองถึงสมัันเท่านั้นภิกษุจิตตหันทก็บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาภิกษุแม้เหล่านั้นพูดกับเธอว่าท่านจิตตหัะท่านควรรู้เวลาที่ท่านจะไปได้โดยแท้ทำไมครั้งนี้ท่านจึงชักช้าอยู่เล่า จิตตหัตตาจึงกล่าวว่ากระผมไปแล้วในเวลาที่มีความเกี่ยวข้องดอกคารับก็ความเกี่ยวข้องนั้นกระผมได้ตัดแล้วต่อไปนี้กระผมไม่ไปอีกแล้วพวกพิสุจึงพากันไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระผู้เจริญภิสุจิตตาหัตตนี้ ถูกพวกข้าพระองค์พูดอย่างนี้เธอก็กล่าวคำขึ้นอย่างนี้เธอปยากราัตผลเธอพูดคำไม่จริงพระศาสดา จ, จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงบุตรของเราได้ทำการไปและการมาในเวลาที่ไม่รู้พระศาสรมในเวลาที่ตนยังมีจิตไม่มั่นคงแบบ น, นี้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 มีใจไม่ถูกโทสะตามกระทบละบุญและบาปได้แล้วตื่นอยู่บาลีว่าอนะวัตติตะจิตตสะสัตรมังอะวิชานโตประริภละวะปะสาทสะปัญญานะปะริปูรติอนะวัสุตะจิตตะสะอะนันวาหาตะเจตโศ ปัญญะปาปะปะฮีนัสะนันติชาคระโตปะยังเทศนาได้มีประโยชน์แก่มหาชนแล้วต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าท่านผู้มีอายุขึ้นชื่อว่ากิเลสเหล่านี้ยาบนักกุลบุตรพูดถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์เห็นป่า น, นี้ ยังถูกกิเลสทำให้มัวมองได้ต้องเป็นเคระหหัดเจ็ดครั้งบวชเจ็ดครั้งดังนี้พระศาสดาทรงสดับถ้อยคำที่เป็นไปของพิสูจน์เหล่านั้นจึงเสด็จไปสู่ธรรมสภาด้วยการไปอันสมควรแก่ขณะนั้นประทับนั่งบนพุทธาฏแล้วตรัสถามว่าพิสุทงหลาย พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยถ้อยคําอะไรเนาะเมื่อภิกษุกราบตูนว่าด้วยเรื่องชื่อนี้ในนี้แล้วจึงได้ตรัสว่าอย่างนั้นนั่นแหละภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลตั้งหลายย่อมเป็นสภาพหยาบถ้ากิเลสเหล่านี้มีรูปร่างอันไกลๆพึงสามารถจะเก็บไว้ได้ ในที่บางแห่งไซส์จั ก, กรวาลก็แคบเกินไปปรมโลกก็ต่ำเกินไปโอกาสคือที่ว่างของกิเลสเหล่านั้นไม่พึงมีคือบรรจุได้เลยกิเลสเหล่านี้ย่อมทำบุรุษอาชาในที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาแม้เช่นกับเราให้มัวมองได้ จะกล่าวอะไรในเหล่าชนที่เหลือจริงอยู่เราเคยอาศัยข้าวฟ้างและลูกเดือยเพียงครึ่งทนานและจอบเฮี้ยนอันหนึ่งบวชแล้วศึกถึงหกครั้งภิกษุเหล่านั้นกราบทูลถามว่าในการไรพระชก่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพวกเธอจะฟังอย่างนั้นหรือภิกษุทั้งหลาย เพราะนั้นเป็นอย่างนั้นพระชก้าถ้าอย่างนั้นพวกเธอจงฟังแล้วจึงได้นำอดีตนิทานมาเล่าตรัสว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้ า, าบรมทัตเสวยราชาสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีบุรุษผู้หนึ่งชื่อว่ากุท ธ, ธาละบันดิตบวชเป็นนักบวชภายนอก อยู่ในป่าหิมะวัน8เดือนเมื่อปูมีภาคชุ่มชืน้นในสมัยที่ฝนตกชุกจึงคิดว่าในเรือนของเรายังมีข้าวฟ่างและลูกเดือยประมาณครึ่งทนานและจอบเฮี้ยนอีกอันหนึ่งพืชคือข้าวฟ่างและลูกเดื อ, อยจะได้เสียไปเลยดังนี้แล้วเธอจึงสึกออกไป เอาจอบเหี่ยนพื้นที่แห่งหนึ่งวานพืช น, นั้นทำโรววยในเวลาที่เมล็ดพืชแก่ก็เกี่ยวเก็บพืชไว้ประมาณทนานหนึ่งเกี่ยวกิ่นพืชที่เหลือท่านคิดว่าแบบนี้ประโยชน์อะไรด้วยเรือนของเราเราจะบวชอีกแปดเดือนเขาจึงออกบวชแล้ว ท่นนั้นก็อาศัยข้าวฟ่างและลูกเดือยเพียงหนึ่งตนานและจอบเฮี้ยนอันหนึ่งเป็นเครื่อหัด7ครั้งบวช7ครั้งโดยตานานนี้แหละแต่ในครั้งที่7คิดว่าเราอาศัยจอบเฮี้ยนอันนี้เป็นเครื่อหัดแล้วบวชถึง7ครั้งเราจะทิ้งมันในที่ไหนไหนสักแห่งหนึ่ง ท่านจึงไปยังฝั่งแม่น้าคงคาแล้วคิดว่าเราเมื่อเห็นที่ตกคงต้องลงงมเอาเราจะทิ้งมันโดยอาการที่เราจะไม่เห็นที่ซึ่งมันตกเขาจึงเอาผ้าเก่าห่อพืชประมาณธนานหนึ่งแล้วผูกผ้าเก่าที่แผ่นจอบจับจอบที่ปลายด้ามยืนที่ฝั่งแห่งแม่น้ำ หลับตาแวางเวียนเหนือสีสักสามครั้งคว้างไปในแม่น้ำคงคาหันไปดูไม่เห็นที่ตกได้เปลิ่งเสียงสามครั้งขึ้นว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วหนังนี้ก็ในขณะนั้นพระเจ้ากรุงพาราสีทรงปราบปัจจันตชนบทให้สงบราบคาบแล้วเสด็จมา โปรดให้ตั้งค่ายพักใกล้ฝั่งแม่น้ำสเสดลงสู่แม่น้ำเพื่อประสงค์จะสงสนานได้ทรงสดับเสียงนั้นก็ธรรมดาเสียงที่ว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วย่อมไม่เป็นที่พอพระหรือไยของพระราชาทั้งหลายพระองค์จึงสเสดไปยังสำนัก ของกุฏาละบัณฑิตนั้นรัถาม่าเราทาการย่ำยีอาิตรมาเดียวนี้ก็ด้วยเรื่องเราชนะส่วนเธอร้องเรียกว่าเราชนะเราชนะแล้วนี่เรื่องอะไรกันกุฏาละบัณฑิตจึงทูลว่าพระองค์ทรงชนะพวกโจรภายนอกความชนะที่พระองค์ทรงชนะแล้วย่อมกลับแพ้ได้อีก ส่วนโจรคือความโลภซึ่งมีในภายในข้าพระองค์ชนะแล้วโจรคือความโลภนั้นจะไม่กลับชนะข้าพระองค์ได้อีกชนะโจรคือความโลภนั้นอย่างเดียวเป็นความดีหนังนี้และกุฏาราบดิตจึงได้กล่าวกาถานี้ขึ้นว่าความชนะใดกลับแพ้ได้ความชนะนั้นมิใช่ความชนะที่ดี ส่วนความชนะใดไม่กลับแพ้ความชนะนั่นแลเป็นความชนะที่ดีก็ในขณะนั้นเองท่านแลดูแม่น้ำคงคายังกระสินมีน้ำเป็นอารมณ์ให้บังเกิดบรรลุกุณวิเศษแล้วนั่งคัดสมาที่ในอากาศพระราชาทรงสดับธรรมกถาของพระมหาบุรุษ ไหว้แล้วทรงขอบวชทรงผนวดพร้อมกับหมู่พลบริษัทได้มีประมาณโยอดหนึ่งแล้วแม้กษัตริย์สามัญตราชอื่นคือกษัตริย์ที่อยู่ในเมืองใกล้ๆกันทรงสดับัความที่พระเจ้ากรุงพราณาศีผนวดแล้วสเสด็จมาด้วยประสงค์ว่าเราจะยึดเอาพระราชสมบัติ ของพระเจ้ากรุงพราณสศีนั้นทรงเห็นพระนกรที่มั่งคั่งอย่างนั้นกลับว่างเปล่าจึงทรงดำริว่าพระราชาเมื่อทรงทิ้งพระนกรเห็นป่านนี้ผนวดจะไม่ทรงผนวดในฐานะอันต่ำช้าเป็นแน่แท้ถึงเราก็ควรผนวชดังนี้แล้วเขาเหล่านั้นจึงเสด็จไปในที่นั้น เข้าไปหาพระมหาบุรุษทรงขอผนวดและทรงผนวดพร้อมกับบริสัทธ์แล้วพระราชาเจ็ดพระองค์ทรงผนวดโดยทํานอนเดียวกันนี้ได้มีอาสมตั้งขึ้นแร่ไปถึงเจ็ยชนพระราชาเจ็ดพระองค์ก็ทรงสลักโภคแค่ทั้งหลายผ้าชนมีประมาณเท่านี้บวดแล้ว พระมหาบุรุษอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแล้วพระศาสดาครั้นทรงนำธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้หลายกุฏาละบดิตในการนั้นได้เป็นเราในบัดนี้ขึ้นชื่อว่ากิเลสเหล่านี้เป็นสภาพหยาบอย่างนี้แหละเรื่องพระ จิตตหัตถะจบในเรื่องของพระจิตตหัตถานี้ก็จะมีอยู่สองส่วนดังบ้ั ง, งคือส่วนที่เป็นประวัติของท่านจิตตหัตถานั่นเองเราจะสังเกตเห็นได้ว่าบุคคลที่อยู่ในตัวละครในนิทานต่างๆเหล่านี้เขาก็จะตั้งชื่อเอาตามพฤติกรรมของผู้ที่อยู่ในตามท้องเรื่องจิตตหัตถานี้ก็ชื่อโดยตรงเลย ว, ว่า จิตนั้นเที่ยวไปอยู่เป็นไปตามอํานาจแห่งจิตเที่ยวไปส่วนคําว่ากุท ธ, ธาละบัณฑิตอันนี้ก็ตรงตัวเหมือนกันจำไว่างคือบัณฑิตจอบเฮี้ย น, นคือคําว่ากุดเนี่ยกอไกสระ อ, อุทอทหารก็เหมือนกุดนี่แหละมันเฮี้ยนลงไปมันสึกลงไปคือจอบเนี่แหละจำไนะนะถ้าเอาไปใช้งานมากๆมันก็จะสึกเข้าสึกเข้าไอ จังหวัดที่มันจะมากินเนื้อดินหน้าดินเนี่ยหน้าของจอบนี่ก็จะสั้นเข้าสั้นข่าเหมือนมีดที่เราทํากรวนี่แหละถ้าบอกว่าเอามาใช้อยู่เรื่อยๆใช้มันก็สึกไปก็ต้องไปรับรับคมเนี่ยมีดมันก็จะสึกเข้าสึกเข้าก็ศัพท์ที่เข้าใจก็คือเหี่ยนเข่าเหี่ยนเข่ากุทธาราบัณฑิตนี่ก็คือบัณฑิตจอบเหี่ยนคือจอบมันสึกไปแล้วในเรื่องนี้สำนวนภาษาอะไรต่างๆ จากที่ศึกษามาเปรียบเทียบกับในเรื่องอื่นๆก็จะมีความคล้ายๆกันเช่นว่าคนที่เขายากจนเห็นภิกษุกินดีอยู่ดีก็จะมีคําถามลักษณะเดียวกันนว่าอ๋อนี่ท่านรับประทานอาหารนี่ได้นิมนต์พิเศษหรือว่าเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวั็จะเป็นลักษณะคําถามนี่เหมือนกันเป็นเซ้นเดียวกันมาอันนี้กือจะเห็นได้ว่าเป็นทองเรื่องที่มายอย่างนี้ ส่วนคําพูดที่เรียกว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วในเรื่องของบันดิตจอบเฮียนเนี่ยภาษาไทยบางทีเราก็เอามาใช้กันท่านผู้ฟังใช้คําว่าชีตังเมชีตังเมท่านผู้ฟังบางท่านก็คงจะเคยได้ยินแต่คา น, นี้ซึ่งคํานี้เป็นคําที่กษัตริย์เนี่ยเขาจะจะกล่าวกันเวลาไปรบทับจับศึกแล้วชนะขึ้นก็จะกล่าวแล้วถ้ามีใครมาพูดคํานี้ก็จะเริ่มมีความกังวลแล้วว่าเอ๊ะ ในไม่เป็นพระราชาที่เป็นปฏิปักษ์เราอื่นหรือไม่แต่ก็จะเป็นลักษณะนี้ในท้องเรื่องของนิทานตรมมบทซึ่งถามว่าในปัจจุบันนี้มีคนที่ถึงขนาดว่าบวชแล้วก็ศึกเจ็ดรอบนี้หรือไม่นะ่ร้าพรเจ้าก็ยังไม่รู้จักใครที่เป็นอย่างนี้นะตั้มหวังนะแต่ตัวที่สําคัญเนี่ยคือแทนที่เราจะดูในท้องเรื่องก็โอเคก็มีความน่าสนใจอยู่ในระดับหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องกลับมาดูเนี่ย คือตัวที่เป็นแม่บทตรรมบัณฑ์อันเป็นที่มาเรื่องเริ่มต้นของเรื่องราวนี้สิ่งที่เป็นแม่บทที่เขายกมาเนี่ยสอดคล้องเข้ากันกันกบในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่แต่มาอ่านทําความเข้าใจแล้วดูทั้งสิ่งที่เป็นบาลีด้วยแม่บทเดิมเป็นยังไงดูคําแปลที่เป็นภาษาไทยด้วยเออก็มีความสอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ บุคคลที่เป็นไปตามอำนาจกิเลสแต่บุคคลที่เป็นไปตามอำนาจกิเลสเนี่ยจิตเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของตัวเองบางทีกิเลสเนี่ยมันปลอมตัวมาเหมือนจิตเราเป๊ะเลยแ ต, แต่ว่าเป็นคนละสีจิตเรามันประพัฒสอนเดิมอยู่ดีแล้วเนี่ยเป็นสีขาวถ้าเปรเียบเทียบนะแต่พอกิเลสมันมาแทรกซึมแต่มันกลับกลายเป็นสีดำเหมือนกับสนิมโลหะทั้งฟังย่าไม่ว่าจะเป็นเหล็ก หรือว่าโลหะประเภทใดๆก็ตามมันก็จะมีสนิมลักษณะส น, สนิมก็คือออกไซด์ของเหล็กหรือว่าโลหะชนิดนั้นๆแต่ซึ่งในออกไซด์คือสนิมของมันเนี่ยมันก็จะต้องมีอนุภาคของสิ่งที่เป็นตัวของมันอยู่เช่น่านเหล็กเบอร์อนุภาคของมันเนี่ยสับทางเคมี Me, เขาใช้เรียกว่า Fe เป็นสัญลักษณ์ทางธาตุแต่ถ้ามันเป็นออกไซด์เป็นสนิมก็มี FeO สนิมของมันก็มีอนุภาคเหล็ก อยู่ในตัวมันนะะ่ะแต่ว่าคุณสมบัติในคนละเรื่องกันเลยเป็นของที่เปราะแตกง่ายไม่เหนียวเหมือนเก่าไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอะ่ะแต่จะเปรียบเทียบนะแต่มันก็มาจากตัวของมันเองเหมือนกันเป๊ะแต่คนละสีคนละคุณสมบัติเพราะฉะนั้นกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่จิตเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากจิตมีอะไรเป็นด้นเกิด มีผัสสะเป็นแดนเกิดมีผัสสะมากระทบพัวจิตอาจจะเกิดกิเลสขึ้นได้แต่รักษาไม่ดีเหมือนความชื้นอากาศอะไรต่างๆมากระทบเหล็กเหล็กอาจจะเกิดเป็นสนิมก็ได้แต่เราดูแลรักษาเหล็กไม่ดีเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เป็นตัวอย่างให้เราเห็นถึงความที่ว่าเราจะต้องรักษาจิตของเราให้ดีเพื่อที่จะไม่แพ้เจ้าสิ่งที่เป็นกิเลสและ้าบอกว่า เราชนะกีเลจนได้ถึงรากเหง้าของมันความชนะนี้จะไม่กลับเป็นแพ้คือจะไม่กลับกําเรือบอีกและตาตาบูฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะสิ่งใดๆสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าใบเสียบัตรมาที่วัดป่าดอนไหยโศกเลขที่หนึ่งหมู่แปดาบลดอนไหนโศกอาเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานี หรือว่าถ้าสะดวกทางข้อความก็ที่เว็บไซต์ www. p u r e t h a m a c o m p u r e d h a m m a com ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอาภิบุญโหน่เจริญพร